ของวัดเราเนี่ยนะมีแต่ธรรมะรุ่นๆเลยไม่มีอย่างอื่นเราไม่ต้องมีอย่างอื่นโขนก็เยอะล้วส่วนมากก็ต้องมีพิธีกรรมมีอะไรจูงใจรับศีลรับอะไรเงั้นไปพเราเอาแต่ตัวธรรมะเวลาเราน้อยอย่างให้หลวงพ่อไปนําสวดมนต์ไปนั่งสมาธิ่เสียเวลาเหมือนเอามีดโกนไปผ่าฟืนเสียเวลา เขาทมนต์ไปเทศเรื่องอะไรนะการบริหารจัดการโมหะใครจะไปจัดการมันได้มีแต่ถูกโมหะจัดการ <c oughs> เราต้องรู้กันนะ <c oughs> เนื้อหาที่เทศก็เล่าให้พวกเราฟังบ้าง <c oughs> เขามีประโยชน์เหมือนกันโมหะนี่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งปิดบังความจริง ลักษณะของโมหะคือความไม่รู้โมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้แปดอย่างถ้าอย่างที่เก้าไม่เรียกว่าโมหะไม่รู้อย่างที่หนึ่งนี่ที่นอดไม่เทศอย่างนี้นะเทศลึกซึ้งมากนักไม่ได้คนเยอะอันแรกเลยไม่รู้ทุกไม่รู้ว่ารูปนามกายใจนี้เป็นตัวทุกอันที่สองไม่รู้สมุทัย ไม่รู้จักตัณหาที่สาไม่รู้จักนิโรธหนิพพานอันที่สี่ไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการอันที่หเนี่ยไม่รู้จักขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอย่างอยู่ๆก็คิดว่าที่เราฟโฟล์มาตรงนี้อยู่ๆก็ เ, เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นมาเองไม่มีเหตุให้เกิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งชื่ออาเหตุตุกาทิฏฐิไม่มีเหตุเขาเกิดขึ้นมาได้ ในศาสนาพุทธถือว่าต้องมีเหตุถึงจะเกิดฉะนั้นไม่มีเหตุเ้าเกิดได้พวกนี้เกิดจากพวกที่ทำฌานนะแล้วก็ไปเป็นพรหมลุกฟักยุคนี้ก็ยังมีนะพรหมลุกฟักยังฝึกกันอยู่เป็นพรหมลุกฟักแล้วพอจิตมันดับไปก็รู้สึกไม่มีอะไรเลยพอจิตถอนออกมานะไปตายไปแล้วก็ไปเพนพรหมลุกฟักพอกลับมาเกิดใหม่เนะี่ยเกิดระลึกชาติได้ก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้าที่จะมา เป็นคนใหม่หรือเป็นลูซีชีไพร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยในชาติที่เป็นพรหมลูกฟักเนี่ยแกไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉนั้นตะก่อนหน้านี่ไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเองเนี่ยกับชาติมาเกิดนี่เกิดใหม่ไม่มีอดีตมากกว่านั้นเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งพวกที่ฝึกเป็นพรหมลูกฟักก็จะได้เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเนี้ยพวกอันอันที่อันที่เท่าไหร่อันที่หก อริยสัจส4ข้อแล้วก็ไม่รู้อดีตอันนึงก็คือไม่รู้ขันธะอายตนะที่เป็นอนาคตพวกเรานี้แหละบางคนก็จะรู้สึกว่าอนาคตไม่มีหรอกตายแล้วศูนย์ไปนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าอุเฉ ท, ททิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งสำหรับพวกที่ไม่รู้อนาคตเรียกว่านัตถิกาทิฏฐิ ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่ไม่มีตั้งแต่เดี๋ยวนี้อนาคตก็ไม่มีคําว่าสุญญตากับคำว่าไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกันคําว่าอนัตตาอนัตตานะถ้ามีเหตุมันมีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีมันบังคับไม่ได้อันนี้อะไรๆก็ไม่มีนะบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งชนิดที่7 เ, เนี่ยไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตคือไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้ายังมีเหตุอยู่ก็สืบเนื่องไปถึงอนาคตอีกพวกนี้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆท่านหนงเขาเรียกว่าอากริยะทิฏฐิไม่มีการกระทํากรรมปฏิเสธเรื่องกรรม ไม่มีการกระทํำทุกอย่างเป็นไปเองเกิดขึ้นเองลอยๆผันแปรไปเองนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึง่งความไม่รู้ประการที่แปดเรียกว่าอัตตาทิฏฐิชื่อเรียกยากเรื่องอัตตทิฏฐิมีความเห็นว่ามีตัวมีตนที่เห็นว่ามีตัวมีตนเพราไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือไม่เห็นว่าความเป็นตัวตนนั้นมันอาศัยความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะจริงๆไม่มีหรอก เป็นภาพลวงตาเั้นมิจฉาทิฏฐิหรือตัวโมหะเนี่ยตัวโมหะเนี่ยมันจะครอบคลุมความไม่รู้อริยสัจแล้วก็มิจฉาทิฏฐินานาชนิดตั้งแต่อาเหตุกาทิฏฐิไม่มีเหตุอุเฉททิฏฐิศูนย์ไปตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรเลยนัตถกาทิฏฐิเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยอกริยาทิฏฐิไม่มีการกระทํากรรมไม่มีกรรมไม่มีการกระทํากรรม อัตตาทิฐิมีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเพราะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นถ้าวางของไว้แล้วลืมเนี่ยไม่เรียกว่าโมหะวางของแล้วลืมไม่เรียกว่าโมหะเดินไปแล้วถนนนี้มันชื่อถนนอะไรไม่รู้นี่ไม่เรียกว่าโมหะอิตาคนนี้มันชื่ออะไรคนนึกไม่ออกไม่เรียกว่าโมหะคําว่าโมหะจะต้องครอบคลุมอยู่ในองค์ประกอบ8ข้อนั้นเท่านั้นนะ นโมหะทำหน้าที่อะไรโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะปิดบังความจริงเมื่อไรมีโมหะเมื่อนั้นจะไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริงโมหะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่อะไรทำให้เกิดความมืดบอดมืดมัวใจก็มองมัวนะทำอะไรดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะ อโยนิโสมานาัสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะอโยนิโสมานัสิการคือใจที่มันไม่ฉลาดมันไม่แยบคายแล้วอะไรทําให้เกิดอโยนิโสมานัสิการก็มีเหตุอีกนะอันแรกเลยไม่มีบุญเลยไม่มีบุญส่งผลมาให้เลยนะมีแต่สะสมแต่ความโง่มาสะสมแต่ความเห็นผิดมาไม่มีบุญติดเนืติดตัวมาเลยอันที่สองเนี่ยเพราะอาศัยที่มันไม่มีบุญนะ่ะ จึงไปเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่มีธรรมะของพวกเรามีบุญใช่ไหมเราได้เกิดในแผ่นดินที่มีธรรมะน้อยมีบุญแนละ้วอันที่สได้พบสัตบุรุษได้พบผู้เข้าใจธรรมะอันที่สได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือฟังธรรมตั้งแต่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละสืบทอดมาอันที่5นะได้พิจารณาไตร่ตรองธรรมสมควรแก่ธรรมคือลงมือปฏิบัติ ตามสมควรสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าปราศจากองค์ประกอบ5ตัวนี้แล้วเรียกว่าอายนิโสมนสิการไม่มีบุญเลยนะเกิดในแผ่นดินซึ่งไรศาสนาไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมนะแล้วก็ไม่เคยได้ไตรตรองธรรมะไตรตรองไม่ได้เพราะไม่เคยฟังรู้เองไม่ได้นี่พวกเรา ม, มีพวกเรามีนะพวกเรามี ยโยนิโสมนสิกานี่เป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีทั้งหลายเลยกุศลทั้งหลายเนี่ยนะเหตุใกล้ของกุศลทั้งหลายนคือโยนิโสมนัสิการทั้งสินน้นเลเหตุใกล้ของอกุศลทั้งหลายคือ อ, อยโยนิโสมนสิกานเหตุใกล้ของโมหะ ก, ก็คืออยโยนิโสมนสิการนี่ทำไงเราจะจัดการกับโมหะได้จัดการไม่ได้เพราะโมหะเป็นอนัตตา เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นศัตรูของโมหะสิ่งที่เป็นศัตรูของโมหะตรงข้ามกับโมหนะชื่อว่าอะโมหะอะไรคือองค์ธรรมของอะโมหะปัญญาคือ อ, องค์ธรรมคือองค์ธรรมของอะโมหะปัญญานะเพราะฉะนั้นเมื่อไรเกิดปัญญาเมื่อนั้นไม่มีโมหะเมื่อไรไม่มีปัญญาเมื่อนั้นมีโมหนะดังั้ต้องระมัด ร, ระวังนะต้องดูไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปตีกับโมหะ โมหะเป็นความมืดปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นธรรมที่เป็นคู่ปรับกันเป็นตรงข้ามกันหัวหน้าของโมหะชื่อว่าอาวิชชาหัวหน้าของอโมหะหรือปัญญาชื่อว่าวิชาวิชาคืออะไรวิชาคือความรู้แจ้งอริยสัจวิชาคือความรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็รู้แจ้งในธาตุขันธ์อายตนะที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคตที่เป็นอดีตและอนาคตรู้แจ้งในความไม่มีตัวตนคือรู้แจ้งในปฏิจจสุบทัทรวมแล้วแประการเหมือนกันโมหามีความไม่รู้8ประการปัญญามีความรอบรู้8ประการเป็นด็อกเตอร์มีปัญญาไหมไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมก็เกิน8ประการรู้ฟิสิกส์รู้ฟิสิกส์กไม่ใช่8ปประการนี้ แต่ว่าอาศัยยืมคําว่าปัญญาของศาสนาพุทธไปใช้ก็เลยเรียกว่ามีปัญญาความจริงมีความรู้ทางฟิสิกส์นีมีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แต่ไม่ได้มีความรู้เพื่อความพ้นทุกปัญญาเป็นความพ้นทุกข์เป็นความรู้เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่ทํำยังไงจะเกิดปัญญาเนี่ตัวนี้ตัวสําคัญนะทำไงจะเห็นแจ้งอริยสัจทําไงจะไม่มีมิจฉาทิฐิ รู้ความจริงของรูปธรรมนำมาทำขันาธาตุอายตนะขันาธาตุอายตนะจริงๆก็คือรูปธรรมนำมาทำนั่นเองอย่างขันนะมีรูปประขันใช่ไหเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตุลนะ่ะธาตุสิบตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะอันนี้เป็นตัวรูปนะใจและธรรมอารมณ์บางส่วนเป็นนาม วิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามรวมแล้วมี18ถ้า18อย่างมีรูปกับนามเหมือนกันอายตนะมี6ใช่ไหตาหูจมูกลิ้นกายเป็ น, เ ป, นเป็นรูปใช่ใจเป็นนามรวมความก็คือขันธ์าุอายตนะก็คือรูปกับนามคือกายกายใจนั่นเองแล้วแต่จะแยกจะแยกแบบไหนคนไหนถนัดดูจิตดูใจพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องขันธ์ เพราะในขัน5้าเนี่ยมีรูปหนึ่งมีนามตั้ง4แจกแจงนามออกไปเยอะคนไหนถนัดรู้รูปท่านจะสอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใช่ไใจเป็นนามมีนามอันเดียวรูปมีเยอะให้แจกแจงรูปเยอะๆคนไหนอยากรู้มากนะสอนท่าสิบแมีรูปจำนวนมากมีนามจำนวนมากแต่รวมแล้วนะมันก็คือการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ พอเราแยกสิ่งที่ตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเป็นรูปนามเนี่ยจะเห็นในรูปไม่ใช่ตัวเรานามไม่ใช่ตัวเราเะฉะั้นการเดินปัญญาเนี่ยเบื้องต้นนะก็คือการหัดแยกกายกับใจออกจากกันก่อนแยกรูปแยกนามอย่างพวกเราที่หัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้สามารถแยกรูปแยกนามได้นับไม่ถูกแล้วนะนับจํานวนไม่ถูกละไดแจกไปรอริญญาแล้วก็แจกไม่ทันเนะยอะเราสามารถเห็นได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง เราสามารถเห็นได้ว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันหมดอย่างกิเลสทั้งหลายมันก็อยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากนี่เรียกว่าเรามี ป, ปัญญานะเราเริ่มมีปัญญาลนะ้ปัญญาเบสิกเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทยานต่อไปเราจะเห็นอีกสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดนะไม่มีเหตุไม่เกิด สิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุถึงจะเกิดมีปัจจัยกำหนดขึ้น ม, าไ ม, ไ า, มาไม่ได้เกิดลอยๆยังความโกรธก็ไม่ได้เกิดลอยๆนะต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนนะใชเรามีโมหะอยู่ด้วยในขณะ น, น, นั้นขาดสติโมโทสะมันก็เกิดขึ้นนะมันต้องมีเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะการที่เราเห็นเหตุนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมาจากมีปัจจัยกำหนดให้เกิดนะเรียกว่ามีปัญญา นะชื่อว่าปัจจะยะปาริคหายานชื่อยาวนะไม่ต้องไปจํามันหรอกเนะเสียเวลาเนี่ยเราค่อยศึกษานะค่อยสังเกตกายสังเกตใจเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะพัฒนาแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นมีปัสนาจะขึ้นไม่ปัสนาเนี่ยต้องเห็นรูปเห็นนามนั้นเกิดดับได้เห็นรูปอันหนึ่งกับรูปอันหนึ่งเป็นคนระรูปเห็นนามอันึงกับนามอีกอันนึงเป็นคนลนามเช่นจิต ด, ดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวง นะมีช่องว่างมาขั้นนะไม่ใช่ดวงเดียวกันต่อเนื่องยาวเป็นสายเดียวกันนี่พอเราเห็นอย่างนี้เห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเกิดดับเกิดดับไปสภาวะทั้งหลายลเกิดดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจมันรู้สึกตกอกต ก, ตกใจสลดเสร่อเวทตกใจขึ้นมาว่าตัวเราหายไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่า เห็นไผ่เห็นไผ่นะมีไผ่บางคนก็เห็นว่ามันเวิง้งว้างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะบางคนเห็นว่ามันน่าเบื่อนะเห็นว่ารูปประธรรมนามมาทำทั้งหลายน่าเบื่อนะเรียกว่ามีนิพิทานะบางคนภาวนาแล้วก็จืดๆรู้สึกไหมคุณอาภาวนาแล้วโลกมันจืดนะมันเบื่อ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 เพราะมันมีปัญญาไม่เห็นได้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลชั่วคราวอากุศลชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตนี้ชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนั้นมีแต่ของชั่วคราวอย่างนี้นใจไม่ดินน้นรนใจหมดความดินน้นรนหมดความปรุงแต่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นตรงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเนี่ยนี่ว่าจิตมันมีวิชามีปัญญาชั้นสูงนะมันทําลายล้างกิเลสภายใต้จิตสํานึกของเราลงไป ทำลายสั่งโยน์ทำลายเป็นลำดับลาดับไปนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถึงครั้งที่สีเนี่ยทำลายอาวิชชาทำลายหัวหน้าโมหะเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นจะรู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจนะรู้เลยว่ารูปนามขันหานี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษแต่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆทันทีที่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันหมดความยึดถือ เมืเ่อหมดความยึดถือมันจะหมดความอยากที่จะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบไม่มีแล้วความอยากที่จะให้ร่างกายนี้เป็นอมตะหนุ่มตลอดสาวตลอดแข็งแรงตลอดนะไม่มีเพราะรู้ว่านั่นเป็นความอยากที่โง่ๆไม่ได้มีความอยากที่จะให้จิตคงที่เสถียรเพราะรู้แล้วว่าจิตไม่เสถียรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอะไรนะพอไม่ยึดถือแล้วมันก็หมดอยาก ไม่เห็นจะต้องอยากมันเลยมันอยากไปมันก็ไม่สมอยากหรอกมันเป็นไปไม่ได้ความอยากนะั้นเป็นเรื่องอินโนเซนต์ยิ่งอยากขึ้นมานะจิตยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นที่แรกรูปนามเป็นตัวทุกข์แต่พอเราไปอยากเราไปยึดเข้านะจิตจะเป็นตัวทุกข์ละจิตมันจะทุกข์ที่แรกรูปนามขันห้าเป็นตัวทุกข์รวมทั้งตัวจิตด้วยนะเป็นตัวทุกข์แต่ทุกข์โดยสภาวะของมัน ทุกโดยธรรมชาติธรรมดาของมันแต่เพราะตัณหาเกิดนั้นมันจะมีทุกแทรกซ้อนนี่ทุกเพราะตัณหาแทรกซ้อนขึ้นมาคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ชนิดนี้แผดเผาตลอดเวลาพระอราหันต์ไม่ถูกความทุกข์ชนิดนี้แผดเผามีแต่ความทุกข์ของขันห้าของรูปของนามของกายของใจแต่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทันทีที่ปราศจากตัณหา น, น, นี่โรดคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา นิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆไม่เหมือนสตินะสติปัญญาต้องเกิดใหม่สดๆร้อนๆถึงจะสู้กิเลสได้แต่นิพพานนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นลืมตาขึ้นมาผู้ใดเห็นนิพพานบ้างนะก็พระอริยะสิถ้าปรารถนาจะเห็นนิพพานนะใส่ใจถึงนิพพานก็เห็นนิพพานนะแต่ถ้าเป็นปุถุชนลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นรูป นี่ปุถุชนที่ฉลาดนะปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกอบรมลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราหรือเห็นเขาความจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็น<ม>ที่ไม่เห็นเพราะโมหะมันบังมโมหะทําหน้าที่ปิดบังสภาวะเพราะงั้นเมื่อไรนะหัดเจริญวิปัสสนาไป รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วย จ, จิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยปัญญาจะเกิดได้นะอาศัยเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติตัวที่อสองคือสัมมาสมาธิสติเป็นความะระลึกได้รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจที่กำลังปรากฏแค่ะระลึกรู้เท่านั้นไม่ได้กำหนดไม่ใช่เพ่งไม่ใช่บังคับทุกวันนี้สติเพียนไปหมด กลายเป็นกําหนดกันหมดแล้วนะตัวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งได้สอนการกําหนดนั้นเกิดจากโลภะเจตนาระหว่างที่กําหนดนั้นโลภะเจตนายัางครอบงําจิตอยู่สติจะไม่เกิดนะเพราะงั้นไม่มีสติตัวจริงดีแต่เพ่งเงาเพ่งเงานะถ้าเกิดสมถะอย่างมากก็ได้แต่สมถะเพราะั้นต้องฝึกจนกระทั่งมีสติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวจริงเกิด จ, จากจิตจําสภาวะได้จิตจําสภาวะได้เพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆ แลเราต้องหัด Sch ดูสภาวะบ่อยๆนะร่างกายเคลื Las, ่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจหยุดนิ่งคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งจิตจิตใจมีความโลภก็รู้จิตใจมีความโกรธก็รู้จิตใจหลงก็รู้จิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้แต่อย่าไปแทรกแซงมัน เช่นไม่ต้องไปห้ามไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมันโลบแล้วโกรธแล้วหลงแล้วก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ไขมันให้รู้สักว่ารู้จริงๆสติทําหน้าที่ตามรู้ความจริงไปทัรู้ของจริงสติรู้ของจริงนะปัญญาเห็นความจริงแต่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตัวนี้ต้องเรียน บทเรียนเกี่ยวกับสัมมาสมาธินะชื่อว่าจิตตะศิขาเป็นบทเรียนที่แสนจะอาภัพนะใครๆก็ไม่ยอมเรียนบทนี้มันวิเศษมาจากไหนมันไม่เรียนเพราะพุทธเจ้าสั่งให้เรียนใรศิกขานะบอกว่าถือศีลแล้วถือไม่จริงหรอกก็พร่องกระแพ่งศีลแกว่งไปแกล้งมารู้สึกไหมจิตตะศิขาก็ไม่เรียนแต่อยากมีปัญญาไปกําหนดรูปกําหนดนามก็เอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพจิตซึ่งไม่มีสัมมาสมาธิแหละไปกําหนดรูปกําหนดนาม กลายเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามไปหมดไม่มีปัญญามีแต่ความมืดบอดนะอย่างเก่งที่สุดก็วูบวูบว่บาๆขึ้นมาเกิดอาการของปีติขึ้นมาเพราะว่าเพ่งแต่ถ้ามีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปแม้ท่อใจที่ตั้งมัน่นมีสมมาสมาธิมันจะเห็นเลย ขันแต่ละขันมันกระจายตัวออกไปขันแต่ละขันมันแยกออกไปล้วใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นมันเห็นร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกมันเห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูมันแยกออกไปเห็นสังขารคือโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูมันแยกออกไปเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูสบายๆใจตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็ถึงจะเกิดปัญญาเห็นทั้งรูปธรรมเห็นทั้งนามธรรมเป็นไตรลักษณ์ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าเป็นปัญญาดงนั้นปัญญาจะเกิดได้นะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ตรงนี้ต้องเรียนนะต้องเรียนให้มากเพราะว่าทุกวันนี้หาคนที่จิตตั้งมั่นหายากมีมากที่วัดหลวงพ่อนี่แหลนะขนาดพวกเรานะไปตามวัดครูบาอาจารย์ คนซึ่งเขามีหูมีตาเขามองเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าเรียนมาจากไหนไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะหลวงพ่อไม่ได้มีอีโก้ว่าจะต้องโฆษณาว่ากูเก่งกูเก่งลูกศิษย์ของกูเก่งหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรอกแต่นี้พูดซื่อๆนะพูดกันซื่อๆเลยเรียนไปจากที่นี่แล้วมันตื่นเข้าไปครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์รู้สึกได้นะหลวงพ่อคําเขียนออกปากเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นลูกศิษย์ใครหลวงพ่อคําเขียนพูดอย่างนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพ่อจะปวดนานนักหนานะปี2520อบกว่ากว่าหลวงพ่อสอนเพื่อนเือนไหมตอนนั้นเป็นเพื่อนๆนกันเราก็ยังเด็กแล้วไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันนะเข้าไปตามวัดครูบาจามที่คนเยอะแยะเนี่ยเราเข้าไปถึงนะท่านหันกลับเลยบางองค์ท่านออกปากยังอยู่นะองค์นี้มันไปรวมกันมาได้ยังไงมันไปรวมมาได้งไงคนที่มันตื่นขึ้นมาได้เยอะแยะอย่ยางนี้ มีแต่มืดมืดมัวม ว, มวบอดบอดนะไปที่ไหนก็มีแต่มัวมัวถ้าเราฟังธรรมะแห่งความตื่นเราก็ตื่นสิเราฟังธรรมะแห่งความบอดเราก็บอดสิธรรมะที่จะรู้สึกรู้สึกตัวไปได้ๆรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกใจไหลเข้าไปหาอารมณ์รู้สึกนี่ถ้าใจเราไหลเข้าไปหาอารมณ์เรารู้สึกนะใจมันจะตั้งมั่นนี่นี่เป็นวิธีที่จะทําให้เกิดสมาสมาธิหนึ่งใน2วิธี อีกวิธีหนึ่งทำฌานทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำให้รู้ทันเอาว่าจิตมันไหลไปแล้วจิตมันหลงไปแล้วคนที่มาใหม่ๆเชิญดูพระพุทธรูปดูเฉพาะยอดนะไม่ต้องดูที่อื่นสังเกตไหม้ใจเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเอาพอแล้วไม่ต้องดูรู้สึกไหม้ใจไปอยู่ที่พระเอาต่อไปนี้ดูหัวไม่มือตัวเองเอาหัวไม่มือขึ้นมาดูของตัวเองไม่ต้องดูของคนอื่น ให้จิตมันแนบลงไปอยู่ที่หัวไม่มืออ้าวพอรู้สึกไหมตอนที่เราดูหัวไม่มือจิตเราไหลไปอยู่ในหัวไม่มือเวลาเราคิดจิตก็ไหลไปอยู่ในความคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตมันเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่หัวไม่มือจิตมันไปแช่อยู่ที่พระพุทธรูปจิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์นะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชานเป็นสมะถะกรรมฐาน ถ้าจิตตั้งมั่นนะมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นหัวไม่มือจิตอยู่ต่างหากเห็นพระพุทธรูปจิตอยู่ต่างหากเห็นความโลภความโกรธความหลงจิตอยู่ต่างหากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเนี่ยค่อยๆไปเรียนนะค่อยๆไปฝึกเอาฟังทีเดียวยากมีหนังสือให้อ่านนะชื่อวิมุตติมรัคไม่อ่านนะเล่มนี้เล่มนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ว่ายากไปแต่ยากก็ต้องเรียน เรียนจา ก, กระทั่งใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นใจสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ไม่ใช่กำหนดจดจ้องแต่สักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะนะและสภาวะทั้งหลายนั้นจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูปัญญาก็คือความเห็นไตรลักษ์ของกายของใจนั่นเองนะมีปร ส, สนาปัญญาคือการเห็นไตรลักษ์ของกายของใจถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าว่าหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีวิปัสนาไม่เดินวิปัสนาที่แท้จริงคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นจําไว้นะนี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมะชื่อว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะนี่เรียกว่าธรรมนิยามต้องเดินอย่างนี้ถึงจะบรรลุเดินอย่างอื่นไม่บรรลุะ เพราพวกเราอดทนนะฟังหลวงพ่อฟังใหม่ๆมือทุกรายมือแน่มาจากไหนฟังครั้งแรกก็มือทั้งนั้นแหละบางคนก็มาสารภาพนะที่ไปวิมุตติยาลัยมีคนหนึ่งมาบอกยกมือแล้วสารภาพเลยเราเห็นหน้าแล้วก็ยกทําไมเพรมก็ภาวนาเป็นแล้วบอกว่าเพื่อนให้ซีดีหลวงพ่อมานานนะแต่มันมีทิฏฐิมานะมันไม่ฟังผมมันมีทิฏฐิมานะเพื่อนให้มาก็ไม่ฟังฟังก็นิดหน่อยอะไรองี้ มีแต่ความคิดความเห็นไม่ปิ๊งวันหนึ่งก็ชักสงสัยขึ้นมาทำไมควรมาเรียนกับหลวงพ่อนะมันดูแปลกแปลกเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก็เลยไปร้างตั้งใจฟังนะฟังแล้วก็งงฟังแล้วก็งงแค่เคยหายใจฟังของหลวงพ่อประโมทแล้วมันจะมาปรับเข้าอาการหายใจของเราได้ไงเนี่ยมีทิฏฐินะติดของเดิมเรียกฉาล้นถ้วยวันหนึ่งเลิกเลย เลยขอลองฟังเฉยๆสิไม่เอาของเก่ามาปนนะดูฟังเฉยๆจิตมันถุดหลุดออกมานะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาโอ้ยแทบเขกกับบานตัวเองเลยทำไมมันมันดื้อขนาดนี้มันโง่ขนาดนี้นะธรรมะก็ได้ยินได้ฟังอยู่แต่มันไม่เอาเพราะว่ามันติดของเก่ามันดื้อถ้าของเก่ามันดีจริงมันพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะเนี่ยของเก่ามันไม่ดีจริงสิมันเลยไม่พ้นทุกข์ลองมาฟังหลวงพ่อสีนะแล้หัดเจริญสติไปลืมของเดิมซะ รู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันเนะี่ยดูซีเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้ค่าเฉลี่ยไม่ถึงเดือนแล้วนะค่าเฉลี่ยไม่ถึงเดือนแล้วบางคนฟังซีดีลูกเดียวเลยฟังฟังฟังแม่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเขียนจดหมายมาเล่าเราหน้าฟังมากเลยมีคนทางอีสานมีสองลายแล้วเขียนมาเล่าเมื่อเดืเร็วนี้เขามีเมื่อสองละวันนี้มีลายเขียนมาเล่าจริงจริงไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรอย่าดื้อแล้วกัน ฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเราก็รับสิ่งใหม่ๆได้แล้วฟังด้วยใจที่ปิดมันรับอะไรไม่ได้ทุกวันนี้หลวงพ่อสบายเวลาสอนคนเปิดใจเยอะสอนใหม่ๆคนต้านเยอะนะเพราะว่ามันแปลกทุกวันนี้เรามีพยานเยอะพราคนที่ภาวนาตามเราเราก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีสติที่แท้จริงขึ้นมามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเป็นใจรักขึ้นมานี่นับไม่ท่วแล้ว มีเป็นพันๆ น, นับไม่ถูกแล้วพอพยานเราเยอะใช่ไหมเราพูดไรนี่พยานประสานเสียงมีจริงๆนะทุกวันนี้เวลาส่งกันบ้านเวลาส่งกันบ้านเนี่งพ่อบางทีเอาไปลงซีดีนะที่ส่งกันบ้านกันช่วงหลังๆมันจะเป็นเรื่องส่งกันบ้านเยอะแล้วเพราะหลักเนี่ยสอนไปเยอะแล้วซีดีรุ่นหลังๆจะมีการบ้านเยอะคนที่ฟังเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันมีพัฒนาการมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นงั้นอย่าดื้อ น, นะ เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ของเราไม่คิดเอานะเราคอยรู้สึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความจริงเรียนรู้ของเก่านะรูปนามกายใจมีมานานแล้วแต่ไม่เคยเรียนมาเรียนซะวันหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมานะไม่มีตัวเราได้ไม่มีตัวเราได้โซดาเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้นๆนก็ปล่อยวางกายเป็นพระนาคาเห็นจิตเป็นทุกข์ล้นๆปล่อยวางจิตก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาาจะทาได้ธรรมะมอันนี้ ได้ผลเร็วด้วยนะอะต่อไปเชิญฐานข้าวไปทำหน้าที่ของเราทำนะหน้าที่กินข้าวนี่มตนครับน